ขอโอกาสท่านผู้บริหารคณอาจารย์ฝ่ายบรรพชิตมีท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตเป็นต้นและขอต้อนรับนิสิตฝ่ายบรรพชิตทุกรูปขอโอกาสท่านผู้บริหารคณาจารย์ ฝ่ายครืหัดซึ่งมีท่านรองศาสตราจารย์ด็อคเตอร์สุรพลสุยพรมรองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไปเป็นต้นเป็นประธานพร้อมนิสิตฝ่ายครืหัดซึ่งขอต้อนรับพวกเราเข้าสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษาของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชุทยาลัยซึ่งพิธีเปิดนั้นเป็นพิธีสำคัญเหมือนอคติที่ว่าการเริ่มต้นที่ดีเท่ากับสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งการเริ่มต้นที่ดีคือการเตรียมพร้อมทั้งกายและใจ สุขภาพอํานวยร่างกายแข็งแรงตัดปริพลดกิจการงานใดๆลดลงที่ไม่เกี่ยวกับการศึกษาเชินลามาเรียนเตรียมพร้อมในเรื่องของเวลาอุทิศเวลาให้กับการศึกษาเตรียมพร้อมในเรื่องของจิตใจ การเตรียมพร้อมเหล่านี้แหละที่ทำให้เราเรียนเก่งซึ่งอยากจะนำมาปารบกับพวกเราหน้าที่นี้เพราะว่าวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยเนี่ยมันอาจจะต่างจากมหาวิทยาลัยชาวบ้านอาจจะต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ เพราะฉะนั้นการจะเรียนเก่งที่มหาจุฬามันก็ต้องทำอย่างหนึ่งเรียนเก่งในที่อื่นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งจุกใจได้คิดเรื่องนี้ตอนที่ไปเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่ชิคาโกหลายสิบปีล่ะพบบัณฑิต จ, จากประเทศไทยไปเรียนต่อปริญญาโทในมหาวิทยาลัยชั้นนำในอเมริกา เขาก็จบมหาวิทยาลัยชั้นนําในประเทศไทยนะเป็นคลุหัดไปได้ทุนก่อพอไปอยู่ได้สักสามเดือนเขามาที่วัดก็ถามเรื่องการเรียนว่าเป็นอย่างไรเขาบอกเขาเครียดปรับตัวยังไม่ได้ถามว่าทําไมบอกว่าตอนที่อยู่ประเทศไทยเนี่ยเขาเรียนเก่งได้คะแนน เป็นที่ยกย่องของครูบาอาจารย์ได้ทุนมาเรียนต่างประเทศถึงอเมริกาแต่มาที่นี่แล้วเขาคับข้องใจรู้สึกว่าตัวเองล้มเหลวถามทำไมอ่ะคืออยู่ที่เมืองไทยเนี่ยครูบาอาจารย์ชื่นชมแต่มาที่อเมริกาเขาไม่ชื่นชมเรา เป็นอย่างไรอยู่ที่อเมริกาอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยเรียนเก่งแล้วก็มีความประพฤติเรียบร้อยไม่ก้าวร้าวไม่แย่งพูดในห้องเรียนตั้งใจฟังครูบาอาจารย์ประพฤติดีเขรียะรเรียนดีประพฤติดี ตามคำนิยามของเราแต่พอไปอเมริกาเขาก็ทำตัวแบบนั้นแหละแต่อาจารย์ไม่ชอบอาจารย์อเมริกันเนี่ยต้องการให้มีส่วนร่วมต้องการให้แสดงออกต้องการให้แย่งกันพูดให้อภิปรายในชั้นเรียน แต่ติดนิสัยความที่เขาติดนิสัยจากประเทศไทยไปนั่งยิ้มอย่างเดียวอาจารย์ก็ถามว่าคุณยังไม่หายโฮมซิกเหรอมีปัญหาอะไรเพราะถ้าอยู่เมืองไทยพูดมากในชั้นเรียนอาจารย์ก็จะถามว่ามีปัญหาอะไรหรอือฉะนั้นการที่ถูกฝึกมาคนละอย่าง การพูดมันไม่ใช่สักแต่ว่าพูดมันต้องคิดเไม่งั้นมันไม่มีอะไรจะพูดแค่ตั้งคำถามตั้งคำถามให้สมาร์ทให้ดูว่ามีสติปัญญาถามเข้าเรื่องเข้าราวมันก็ไม่ไง่ายถ้าเราไม่ฝึกมาบางทีเงียบซะยังจะดีกว่าเพราะว่าถามไม่เข้าเรื่องดังที่ มีบาลีมีพุทธภาษิตว่าปัญญารู้ว่าใครมีปัญญาหรือไม่รู้ได้ด้วยการสนทนาใครมีกำลังใจหรือไม่รู้ได้ในยามที่มีภัยเวลาเจอปัญหาวิ่งแนบก่อนเนี่ยแสดงว่าไม่ใช่คนกล้าเงียบๆอยู่เขาก็ไม่รู้ว่างโง่หรือฉลาดเพราะฉะนั้น ถ้าพูดออกมามันก็บอกอะไรแกเรานี่ยกตัวอย่างว่าวัฒนธรรมวิธีวิธีธดํารงชีวิตที่มันต่างกันเนี่ยอาจจะเหมาะสําหรับคนหนึ่งอาจจะไม่เหมาะสําหรับคนหนึ่งความล้มเหลวในที่หนึ่งอาจจะเป็นความสําเร็จในอีกที่หนึ่ง เพราะฉะนั้นในมหาจุฬาเนี่ยสมัยหนึ่งนะใครมาเรียนมหาจุฬาเนี่ยเขาจะบอกว่าเหมือนเป็ดเป็ดที่ทำได้หลายอย่างว่ายน้ำก็ได้บินก็ได้เดินก็ได้แต่ให้ดีสักอย่างเนี่ยไม่ค่อยมีมหาจุฬาสมัยโน้นที่พูดถึงเนี่ยเรียนกัน200ร้อยหน่วยกิจ ภาษาอังกฤษก็ให้เรียนมาลีก็ให้เรียนเรียนจะเป็นเป็ดอะรู้ทุกเรื่องแต่ว่าไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญไม่ใช่เอ็กซ์เพรมาสมัยนี้หน่วยกิจลดลงนะสี่ปีเนี่ยหวังให้เรามีความเชี่ยวชาญแต่เอาเข้าจริง ทำลำบากเพราะอะไรแค่หนว่วยกิจมันก็บอกแหละอย่างนิสิตขลังหันอยากจะมาเรียนรัฐะรัฐะภาษาาสนาศาสตร์นึกว่าจะมีแต่เรื่องรัฐะภาษาศาสนาศาสตร์ที่ไหนได้มีแกนพุทธศาสตร์มีวิชาแกนพุทธศาสนามีเรียนพระไตรปิฎกเรียนบาลีเข้าไปอีก นั่งก็มาถานอีกเห็นไหมเขาให้เราเก่งหลายอย่างนะเก่งภาษาอังกฤษยังเดียวไม่พอมีภาษาบาลีอีกโดยเฉพาะระดับปัญญาโทปัญญาเอกถามว่าเรียนมหายุยาง่ายไหมเขาบอกง่ายอะไรท่านห้าปีกว่าจะจบบาลีนีงง่แหละถามท่าน ผู้หึงจบปริญญาโทจากอเมริกามาเรียนปริญญาเอกกับเราเรียนปริญญาเอกอเมริกาง่ายกว่าเรียนมหาจุาลายากท่านไปพูดอย่างนี้เป็นผู้ใหญ่ด้วยทำงานอยู่ที่โมนิทิชัยพัฒนานะ่ะไม่ต้องเอ่ยชื่อหอไปถามท่านดูทำไมล่ะภาษาบาลีท่าน ถ้าถามพระไป็นไงอู้หน่าเอรุกุลมาจุลาแล้วมันยากอะไรภาษาอังกฤษสิครับ <c oughs> เห็นไหมบังเอิญมันจะต้องมีสองอย่างน้อยเนี่ยนะนี่ยกตัวอย่างอันหนึ่งว่าทำไมมันถึงเป็นเลิศสุดๆยากถ้ามาจากสองวัฒนธรรม และยิ่งเป็นพระเนี่ยที่เป็นพระสังฆาธิการพื้นฐานภาษาอังกฤษไม่ดีพูดหัวอีกและต่อไปทางทปอจะให้ให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นมาตรฐานถ้าจะจบมหาวิทยาลัยระดับบิญชีต้องภาษาอังกฤษระดับนี้ระดับนี้เมื่อถึงวันนั้นแล้วก็จะรู้สึก เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นรีบบอกให้มาเรียนรีบจบซะด้วยเหตุนี้จึงอยากจะปารบว่าในมหาจุฬาเนี่ยมันมีทิศทางต่างจากที่อื่นอย่างไรและเราจะต้องมีความเตรียมพร้อมในเรื่องอะไรบ้างถึงจะเรียนแล้วไม่เครียดไม่ปวดหัวเมื่อกี้มีการเอ่ยถึงพระราชปณิทานรัชกาลที่ห้าซึ่งสาคัญมาก ในปี2439เนี่ยรัชกาลที่ห้าเปลี่ยนชื่อมหาธาตุวิทยาลัยที่วัดมหาธาตุเป็นมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยมหาธาตุวิทยาลัยเกิดจากการย้ายโรงเรียนบาลีจากสารลาลัยวัดพระแก้วนี่นะซึ่งเป็นโรงเรียนกลางเหมือนวัดสัมพญาสมัยเนี้ยสมัยก่อนเรียนในวัดพระแก้ว ที่ชักขับแคบให้มาเรียนรวมกันหมดศูนย์กลางการศึกษาชั้นสูงเหมือนว่าสมภยญญาเรียนไปยกแปดไปยกเก้าอะทุกวันนี้ย้ายโรงเรียนบาลีจากวัดพระแก้วมาเรียนวัดมหาธาตุตั้งชื่อวัดมหาธาตุว่าเป็นมหาธาตุวิทยาลัยก็เรียนบาลีอย่างเดียวจากปีสองพันสี่ร้ยสามสิบ จนถึง 2,439 รัชกาลที่ห้ามีพระประสงค์ใหม่ละเพราะอะไรเพราะในปี 2,436 ก่อน39 3ปีเนี่ยรัชกาลที่ห้าส่งให้พิมพ์พระไตรปิฎกถอดจากอักษรของคำพีบลานเนี่ย มาปริวัดมาเป็นอักษรไทยภาษาบาลีเนี่ยนะนะและพิมพ์เป็นรูปเล่มหนังสือครั้งแรกในโลกหนึ่งพันชุดพระไตรปิฎกหนึ่งพันชุดชุดหนึ่งมีสามสิบเก้าเล่มยังไม่ครบสี่สิบห้าเล่มแล้วพอพิมพ์แล้วก็ประสงค์ให้มหาจุฬาเนี่ยเรียนพระไตรปิฎกอันเนี้ยปีสามหกสามเจ็ด สามแปดปีสามเก้าก็เลยเปลี่ยนชื่อมหาธาวิทยาลัยเป็นมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแล้วก็ให้เรียนพระไตรปิฎกสามสิบเก้าเล่มนี่แหละเพราะฉะนั้นตรงนี้เวลาท่านเข้ามาเนี่ยทางด้านถนนพระโยธินจะมีหอพระไตรปิฎกสื่อสั ญ, ญลักษณ์ว่าเราให้ความสำคัญพระไตรปิฎก เรียนพระสัา บ, บรีพระไตรปิฎกเนี่ยตามพระราชบัญญัติรัชการที่ห้าสองพันสี่้อยสามสิบเก้าแต่เราก็ยังไม่ได้พัฒนานะ อ, อพิษฐานเพราะน้ำมันท่วมครั้งที่แล้วเนี่ยก็เลยกำลังปรับปรุงปรับปรุงนานหน่อยสองพันสี่ร้ยสามสิบเก้าต้องเรียนพระไตรปิฎกแต่รัชการที่ห้าบอกว่าจะต้องให้พระเนี่ยสอนเด็กด้วยเป็นครู เด็กคลุ้มคั่งเดจึงต้องให้เรียนให้พระเรียนศาสตร์สมัยใหม่ 2,445 ออกพรบคณะสงฆ์ลักษณะอรอสอน121ต้องการให้พระเนี่ยมีเอกภาพเพื่อไปสอนเด็กในโรงเรียนต่างๆ สมเด็จพระมหาสมณเจ้าท่านยังไม่ได้เป็นพระ ส, สังฆราชแค่รักษาการสั่งแล้วพระไม่ใคร่ทำในหัวเมืองไม่ใช่ไม่ค่ยสอนเด็กจึงออกพรบคณะสงฆ์ 2,445 รศ121ในวัตถุประสงค์พรบนี้จะบอกไว้เลยเพื่อให้พระเนี่ยไปช่วยสอนเด็กนั้นท่านต้องอ่านอารลัมภกถาของพรบนี้คณะสงฆ์ฉบับแรกว่าทําไมเขาออกพรบรมา เพราะว่าสั่งให้พระทั่วประเทศช่วยกันสอนเด็กแล้วมันมันติดขัดก็เลยออกพรบตั้งแต่มหาเทพบขมจนถึงเจ้าคณะตำบลไปถึงวัดไอ้เจ้าคณะอำเภอถึงวัดเลยต้องการให้พระสอนเด็ก2445แล้วแล้วจะฝึกพระให้เก่งเพื่อไปสอนฆราวาสได้อย่างไรก็อาศัยมหาจุฬามหามกุ์ไงเรียนพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงอ่ะแล้วให้มหาจุฬาเนี่ย สอนคลรวาดด้วยนะไม่ใช่เพราะฉะนั้นคลรวาดหรือคารืหัดที่มาเรียนเนี่ยเป็นไปตามพระราชบัญญัติรัชการที่ห้าเหมือนออกฟอร์ดแคมบริดจ์ต้องให้คารืหัดเรียนด้วยไม่ใช่สอนแต่นักบวชและราชการที่ห้ามีพระประสงค์ให้เป็นสถานศึกษาพระไตรปดกใน ว, วิชาชั้นสูงตลอด บ, บระชิตและคารืหัดวิชาชั้นสูงคือรมศึกษาคือาศาสตร์สมัยใหม่ทีนี้เราก็เห็นแล้วเนี่ยพระราชบัญาัตินี้นนว่าหนึ่งต้องเรียนพระไตรปิฎกคือพุทธศาสนา สองเรียนวิชาชั้นสูงคืออุดมศึกษาศาสตร์สมัยใหม่จะให้เ x p e r t เปิดเชี่ยวชาญทั้งสองอย่างนี่ไม่ใช่ง่ายเลยตอนนี้เนี่ยในหลักสูตรเเหมือนเอกคู่นะอย่างน้อยวิชาแกนพุทธศาสตร์เนี่ยบวกกับพุทธศาสตร์ประยุกต์ในเอกของท่านเนี่ยสิบห้าสิบนกิจถ้ารวมแล้วประมาณห้าสิบใกิจเท่ากันหนึ่งเอกเนะนอกจาก general education การศึกษาทั่วไปแล้ว เพราย่นั้นอย่าไปทิ้งนะไอห้าสิบห่ยกิสี่สิบหน่ยกิตที่ว่าวิชาแกนนั่งกับมฐ า, านมันเป็นคะแนนมหาศาลเลยนะมันเหมือนกับหนึ่งเอกพวกเราที่เรียนที่เป็นข้าราชการเนี่ยมันถึงต้องเอาใจใส่ในวิชาแกนพุทธศาสตร์และอย่าไปถือเป็นเรื่องเล่นๆ เ, เลยท่านจะต้องทุ่มเทเรียนตรงนี้เพราะว่ามันคือหนึ่งเอกเอกคู่จริงๆเนี่ยร้อยี่สิบหน่วยกิตแล้วเป็น วิชาแกนพุทธศาสตร์พันศาสรประยุกต์ไป40 50ใ น, นกิจเนี่ยนอกจากวิชาการศึกษาทั่วไปแล้วเป็นอย่างเพราะฉะนั้นต้องเอาใจใส่ล่ะถ้าเราถ้าเราไม่ทุ่มเทตรงนี้บางทีพระเนรเราเนี่อยากจะเรียนแศาสตร์สมใหม่พอถึงเวลาปฏิบัติกรรมฐานก็ไม่ค่อยสนใจพอเรียนบาลีก็ไม่ใค่สนใจทําให้ท่านด้อยเพราะฉะนั้นมันต้องเหมือนกับปีกสองปีกของนกอะ่ะนกมันต้องมีสองปีกฉันใด เราจะเก่งในมหาจรราปีกหนึ่งต้องเป็นพระไตรปิดกผู้ศาสนาภาษาบาลีอีกปีกหนึ่งก็คือศาสตร์สมัยใหม่ท่านจะต้องให้ความสนใจนี้ไปคู่กันถึงจะเป็นบัณฑิตในอมคติของมหาจรราในสายพุทธหัต ด, ด้วยนยจะเอาแต่ภาษาอังกฤษไม่สนใจภาษาบาลีมันก็ไปไม่รอดนี่คือเหตุหนึ่งที่เราจําเป็นจะต้องทําตามพระราชบัญญัตินี้เพราะฉะนั้นเพื่อความชัดเจนตรงนี้เนี่ย จากปี 2,439 มาจนเรามีพบรบเราก็เลยออกเป็นปรัชญาของมหาจุฬาซ้ำไปอีกทีหนึ่งจะเห็นชัดเลยทีนี้ว่ามาเรียนมหาจุฬานี่ที่นี่เขาจัดการศึกษาพระพุทธศาสนานะนี่ก็คือเรียนพระไตรปิฎกที่ด้าการที่ห้าท่านว่าไว้ส่งว่าไว้บูรณาการกศาสตสมัยใหม่นี่คือวิชาชั้นสูงที่พระจัการที่ห้าให้เราเรียน เรียนพระตไตรปิฎกและวิชาชาสูงกลายเป็นสองสองประโยคนี้จัดการศึกษาพัฒนาบูรณ า, าการกับศาส์สมัยใหม่และยังต่อด้วยพัฒนาจิตใจและสังคมไม่ใช่เรียนโดยไม่ไ ม, ไม่มีวัตถุประสงค์แห่งการเสียสละจะไปเพื่อสังคมได้เราก็ต้องพัฒนาตนเองนี่คือกรรมฐานนี่คือจิตอาสาเพื่อสังคมก็คือจิตอาสา เพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยจึงจึงสนับสนุนอย่างเพื่อกี้ที่เดินเข้ามาเนี่ยจะมีชมรมต่างๆนั่นก็คือชมรมจิตอาสาให้มีจิตสาธารณะทำงานเพื่อส่วนรวมจะในชมรมอะไรก็แล้วแต่มาจากปรัชญาของมหาวิทยาลัยทั้งนั้นทีนี้ประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้บางคนบอกว่าเอ๊ะแล้วทำไมต้องมีหลายๆอย่าง เพราะเราไม่เชื่อนะว่าคนนี่มันจะเก่งด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้นเรามักจะนึกแต่ว่าคนที่เก่งเนี่ยคือมีไอคิสูงไอคสูงก็จะมาเน้นเรื่องความสามารถในเรื่องภาษาเรื่องคณิตเรื่องวิทย์เหมือนโรงเรียนที่เราแบ่งเป็นมัธยมที่แบ่งออกเป็นสายวิทย์สายคณิตสายศิลป์นเนี่ยนะแบ่งกันหมดแล้วพอมาเรียนในมหาวิลัยนี่มันผสม สายศิลป์สายภาษาเราว่าอย่างนั้นแล้วเรายังมีศาสตร์อีกมีสถิติอีกมันเป็นไปได้อย่างไรนี่มั้งที่บอกว่าแล้วมันจะให้เก่งได้ยังไงเพราะเราไปเชื่อในเรื่องอินเทเลเ e ์คือ IQ คของมนุษย์ว่ามันมีอย่างเดียวแต่จริงๆเนี่ยคนเรามันมีอินเทเลเจนซยหลายอย่างเราเรียกว่า มัลติโฟอินเท l เลเจนซ์พหูปัญญาการจัดการศึกษาในมจรเนี่ยอยู่บนฐานพหูปัญญาไม่ได้อยู่บนฐานของสายสินสายวิทย์สายอะไรที่เหมือนกับคนมันจะมีอินเทลเลเจนด้านเดียวเช่นสายวิทย์ก็จะเก่งคำนวณแล้วก็ไปเรียนด้านเทคโนโลยีไปเลยแล้วสายสินก็จะเก่งภาษาเก่งศิลปะ เรื่องคำนวณเรื่องสถิติตกเห็นไหมเราแบ่งกันอาชีวะก็คือพวกที่ไม่เก่งพวกนี้ก็ไปสายอาชีวะมันไปไปแบ่งกันอย่างนั้นในสังคมแต่ในโลกนี้มันยังมีอีกทฤษฎีหนึ่งว่าคนเรานี่เก่งหลายด้านได้คนคนเดียวเนี่ยสามารถจะได้ทั้งวิทย์ทั้งศิลทั้งอะไรต่างๆหรือ บางคนอาจจะเก่งไม่เก่งวิทย์เก่งคณิตไม่เก่งภาษาแต่มันเก่งด้านอื่นเก่งกรรมฐานน่ะอภิปัสนาจารย์น่ะพูดภาษาอังกฤษก็ไม่ได้คำนวณก็ไม่ได้แต่นั่งกรรมฐานเก่งอ่ะแล้วจะเป็นไอคอะไรอ่ะแล้วเราก็บอกผู้ไม่อยู่ในเกณฑ์ไอคิชาวบ้านเลยนาะมหาจุฬาเนี่ยวิปัสนาจารย์เราเห็นไหม ฉะนั้นมหาจุฬาเนี่ยมันอยู่บนฐานของภาวุปัญญาหรือ Multiple i n t e l ท i g e n c e น์เรายกย่องคนเก่งหลายด้านไม่จำเป็นจะต้องมีเอตทัคคะด้านเดียวแบบภาษาลีบุตรด้านปัญญาเรามีเอตทัคคะด้านกรรมฐานเอตทัคคะด้านจัดเสนาสนะเอตทัคคะเยอะหมดอินเท l i g เ n เจน์หลายอย่าง น่าจะทำวิจัยเรื่องนี้ในะวันนี้เลยมาพูดเรื่องนี้ที่เขายอมรับกันเนี่ยคือหนึ่ง logical mathematical intelligence ฉลาดด้านตรรกศาสตร์ด้านคณิตศาสตร์ด้านคิดด้านตรร ก, กะใครเรียนตรรกศาสตร์จะรู้ไอตรรกศาสตร์มันก็คือคณิตศาสตร์พอเรียนคณิตพอเรียนตรรกศาสตร์ไปถึงปริญญาโทรปริญญาเอกเนี่ยมันเป็น symbolic logic ตรกษาตร์สัญลักษณ์มันคือคณิตตรสตร์นึกออกเลยใช่ไหมเขาจึงจัดไว้กลุ่มเดียวไอ้ที่เราตกๆ ก, กันเนีย่ยไปเรียนต่างประเทศตกไอ้ซิมบลิกโลจิกนี่แหละมาในมหาวิทยาลราลไม่มีใครสอนเลยสอนแต่อลิสตตเตอริอสตร์สตเตอรีโลจิกที่อาจารย์จำนงนสอนแต่ที่จริงเนี่ยมันต้องไปซิมบลิกโลจิกด้วย คนที่เก่งในด้านการคิดด้านคณิตศาสตร์อาจจะไม่เก่งด้านภาษา linguistics intelligence เพราะฉะนั้นพวกมหาป ร, รียนเนี่ยเขาจำนาด้านภาษาบาลีเนี่ยนะให้ไปรเรียนภาษาอังกฤษก็เก่งเรียนฝรั่งเศสก็ได้ผมได้เรียนทางนั้นปะยะเก้าอ่ะเราก็ใช้ประโยชน์จาก l i n g u i s ส i c i n t น l l i g ์เ c e นเนี่ยเรียนมันหลายหลายภาษาสิส่งเสริมไปพูดภาษาอังกฤษย่างเด็วพอภาษาลาวภาษาเขมรเอาด้วยโคศกอะมันจะได้เข้าหูเนะเราก็เลยได้กันหลายภาษา Musical i n t e l l i เท n c ์บางคนไม่ถนัดเลยในสายที่ว่ามาเนี่ยแต่ว่าหูนี่อัจฉริยะด้านดนตรีมีหน้าตยะอะไรเมื่อกี้ ส่งเสริมเขาดนตรีธรรมะอะไรต่างกลุ่มนี้เขาก็จะได้พัฒนาด้านมิวสิกมหาจุลาก็จะได้โอมีวงเยอะขึ้นไม่ใช่มีแต่วิทยาเขตขอนแกน่นหมอลำอยู่นั่นแหละ เ, เห็นไหมไอ้พวกที่มันมีมิวสิคอิเทเลชันมันก็มาเรียนมหาจุล่าแล้วมันก็ไปขอนแก่นหมดสิส่วนกลางมีมีหน้าแตยักอะไรเนี่ยเมื่อกี้ก็ดีแล้วแวหะน่าเชื่นชม บางคนฉลาดด้านเทศะ spatial intelligence พวกนี้เรียนอะไรดีเทศะมันก็คือพวกแผนที่ใช่ไหมรวมถึงการเดินทางแผนที่เคยสังเกตไหมบางคนมันฉลาดเรื่องภาษาเรื่องคณิตเนี่แต่ขับรถที่ไรหลงทุกทีมันไม่มีความฉลาดด้านเทศะพวกนี้เขาจึงไปเรียนวิศวะเรียนสถาปนิก ออกแบบสวยมันเท่ากันหมดถือถือาฝ่ายอื่นมาออกเดียวกัวทังหมดมันน้ำหนักมันไม่บาลานซ์กันชลาเกี่ยวกับร่างกายการใช้ร่างกายพวกนี้ถนัดทางด้านไหนกีฬาท่านกีฬาเนี่ยพวกที่จะเล่นฟุตบอลเก่งเล่นต่อยมวยเก่งอะไรเก่งเนีเขาส่งเสริมกัน แล้วเราจะไปดูถูกว่าโอ้เรียนหนังสือไม่ได้เรื่องเลยไปทนี้ไม่ใช่มันคนละด้านมีเนรวัตโพะบวชก็ไม่เจริญท่านสึกไปไป็ตเต่ามวยเป็นแชมป์โลกอะ่ะชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้ละนั่นแหละนี่ถ้าบวชอยู่เดี๋ยวมันดีต่อยจเจ้าวาดะนะดีแล้วมันไปนต่อยมวยเป็นแชมป์โลกไปเลย ความฉลาดด้านมนุษยสัมพันธ์ interpersonal intelligence กิจกรรกิจกรรมนิสิตเนี่ยมันสำหรับพวกนี้ด้วยเป็นประธานเนี่ยเล่นเอ่อไอ้เทำกิจกรรมนำคนทำกิจกรรมเยอะๆในที่สุดก็ส่วนมากไปเรียนรัฐศาสตร์เรียนอะไรปริคอสไทร์ได้เป็นผูน้นำไปอะไร่างๆมันมาจากความฉลาดด้านมนุษยสัมพันธ์เนี่ยแต่พอในรุ่นเดียวกันเป็นัวหน้าชั้นเนี่ยและคะแนนก็ไม่ค่อยได้เรื่องรเนาะ องทำกิจกรรมเรื่อยเลยแต่พวกนี้นี่ประสบความสำเร็จได้เป็นจเจ้าวาดก่อนคนอื่นถ้าบวชอยู่ศึกไปก็ไปเล่นการเมืองอีกสุดท้ายเลยครับ intrapersonal intelligence พวกนี้ไม่ใช่อินเตอร์เพอร์นลความสัมพันธ์ระหว่างกับคนอื่นพวกนี้ประเภทนักคิดนักปรัชญาวิปัสนาจานัก มองด้านไหนเหมือนท่านเพื่อทาสเดี่ยไปอยู่สวนโมกไปต้องคุยอะไรกัเราอยากพัฒนาประเภทอย่างนี้ด้วยแต่ทีนี้เวลาอาจารย์เราวัดเราพัฒนาคนเนี่ยเราไปพัฒนาด้านอื่นเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็หายไปหมดจากระบบมหาเจุฬะแต่ตอนหลังเราส่งเสริมวิปัสสนาจารย์ได้อยู่ด้านเห็นไหมที่พูดอย่างนี้เป็นของฝรั่งแต่ของชาว มาจากไอ้ตรงนี้ย m u l ิ i p l e i n น e l l i ์เ n เนน่ให้ดูภาพเป็นระบบหมดที่พูดมาอยู่ตรงนี้เลยของเราว่ายังไงเวลาศึกษาธรรมะเนี่ยเรามี m u l t ิ p l e i n ิน l l i g e n รน์แต่เราเอาธรรมะด้านเดียวเป็นหลักคนบางคนเรียนธรรมะเก่งเพราะอาศัยรูปประมาณิกา เพราะเขามีความถนัดอินเท l เล e เ c นด้านรูปะรูปะประมาณนีกะส่งเสริมให้เขาเรียนธรรมะโดยอาศัยรูปะเขาจะบรรลุเร็วเป็นอิน e ท l เล e เ c นด้านหนึ่งบางคนตาเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่หูหูใช้หูบ่อย พุ่มพวงดวงจันทร์อ่านหนังสือไม่ออกอจบป .2 จำเพลงได้หมดเลยเราจะว่ายังไงอ่านหนังสือไม่ออกและส่งเสริมยังไงนี่พวกอย่างพุ่มพวงนี่ยโคสะประมาณิกาเรื่องดนตรีเรื่องอะไรต่างๆนี่แล้วเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยมันต้องโคสพประมาณิกาฟังเสียงโน้ตดนตรีได้ฟังเสียงเอ็เซน เราพูดแล้วฝรั่งฟังไม่รู้เรื่องเพราะเราออกเอ็กเซนทผิดตรงไหนมีสเตรสตรงไหนมีเอ็กเซนเนี่ยพวกโคซาประมาณิกาเรียนได้เร็วเห็นไหมแล้วหาให้เจอสิตัวเราเนี่ยเก่งด้านไหนที่บอกว่าทําอย่างไรเจนเนีรเก่งเนี่ยถามตัวท่านเองว่าท่านเป็นพวกไหนในอินเทอล์เเจนเจ็ดอย่างก็ได้หรือเอาแค่พุทธศาสนาเอาแค่รูปปรัชประมาณิกาโคซาประมาณิกาตอนที่ยังมีเวลาว่างเนี่ยนะ ไปบรรยายตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยชอบไปไปศึกษาเขามีอยู่ครั้งหนึ่งไปบรรยายที่โรงเรียนเซธ ะ, สะเสถียนเออพวกเราได้ไปครับไปแล้วเซธ ะ, สะเสถียนพูดแล้วต้องมีล่ามเซธ ะ, สะเสถียนเนี่ยเพราะคนฟังเราไม่ได้เขาหูหนวกต้องมีภาษามืออนแล้วบรรยายธรรมะด้วยแล้วทําภาษามือมันรู้จะทำยังไงมันแปลยังไงก็ไม่รู้นะ สิ่งที่อาจารย์เขาบอกเราเนี่ยเขาบอกว่าท่านหลักสูตรสำหรับพวกเด็กพิเศษคือคือหูหนวกเนี่ยแต่ตาเขาใช้มากเขาดูภาษามือเนี่ยเขาจะเรียนไวในบางวิชามากเลยภาษาอังกฤษอะไรไม่ต้องไปพูดถึงเ่ยมัเรียนไม่ได้แต่พวกศิลปะนี่นะ อย่าใช้หลักสูตรธรรมดาของนักเรียนทั่วไปเลยเพราะอะไรเพราะว่าโลกครับเพราะว่าเวลาวาดภาพเนี่ยนะมันใช้ตาดูใช่ไหมแล้วเรียนแบบหลักสูตรศิลปะนี่เขาใช้เวลาหนึ่งเทอมสำหรับเด็กทั่วไปเนี่ยเดือนเดียวพวกนี้วาดได้เป็นหมดละเพราะมันใช้ตาดูมากกว่าหู เพราะฉะนั้นมันจะสังเกตหมดเลยวาดละเอียดยิบเลยป๊บ๊๊บบบ๊นะแล้วให้ไปดูไอ้ปฏิมา ก, กรรมไอ้พวกปั้นเนี่ยนะโอ้ยเด็กธรรมดานี่กว่าจะปั้นได้อะไรได้เนี่ยนะนานมากเด็กพิเศษที่ใช้ตามากกว่าหูพอมองปุ๊บเนี่นะเขาแพ่ไปดูงานแป่เด็กกลับมาปั้นได้หมดเลย โคสัประมาณเ อ, อไม่ใช่รู้ปรับประมาณนิกาตาไปที่จีนเนี่ยไปไปประชุมที่บูซี่ครั้งแรกเลยบุดดิสพารีสไปดูการแสดงกุอนอิมยันจำไม่ลืมเลยเอาเอาเด็กผู้หญิงสาวสาวสวยเนี่ยยืนเป็นแถวเลยนะยืนตรงกันเลย แล้วเป็นกลอนอิมพันมือยกมือเนี่ยนะเดี๋ยวมือไปทางนี้พร้อมกันไปทางนี้แยกกันเดี๋ยวดูเป็นโวยมากมากเลยปุ๊บ๊๊๊๊ของจีนอะ่ะและดังไปทั่วโลกถ้าเราไปเปิดพวกยูท b e จะเห็นเลยหูหนวกครับคนธรรมดาทำไม่ได้หรอกใครพร้อมปุ๊บป๊บปบปบ๊เออเลยครับ อัดใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าเราเนี่ยถนัดด้านไหนแล้วใชใ้มันถูกนยะเหมือนเราสอนธรรมะคนนี้รู้ปรับประมาณนาการสอนแป๊บเดียวก็บรรลุคนนี้โค้ชประมาณนาการก็บรรลุรู้ขับประมาณนาการนี่หมายถึงพฤติกรรมหมายถึง behavior ถ้าเราเรียกสมัยนี้ก็คือสกิลใช้ทักษะ สายยางหนอขวา ย, ยางเนอะหรือทําอะไรก็ได้บางเรื่องบางอย่างเนี่ยเราเป็นวิชาที่จะต้องอาศัยการฝึกหัดเหมือนกับเล่นกีฬาเนี่ยนะคนจะเก่งเพราะฝึกหัดบ่อยภาษาเหมือนกันจะเก่งเพราะฝึกหัดบ่อยบางคนนี่ทําซ้ำๆนะอาเสวิตาพระบุรีกตานะเก่งความจําอาจจะไม่ค่อยดี คนความจำดีเนี่ยนะคนความจำดีเนี่ยเรียนภาษาบาลีก็เก่งเดี๋ยวก็สอบได้เดี๋ยวก็อะไรต่างแต่มันจะมีอีกพวกหนึ่งที่สอบได้เป็นมหาเนี่ยเป็นพวกขยันพวกวิริยะวิริยาที่กะเนี่ยวิริยาที่กะเขาไม่ได้ใช้ความจำอย่างเดียวเขาใช้สกิลครับเพราะภาษาบาลีมันเป็นทักษะมันเป็นสกิลท่านทําบ่อยๆพูดบ่อยๆเนี่ยมันจะเป็นนิสัยภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าเราท่องศัพท์ไม่ได้เนี่ยนะ เพราะว่าเราไม่ใช่เป็นพวกปัญญาที่กักความจําเรื่องศัพท์เรื่องอะไรดีแต่ถ้าท่านพูดบ่อยๆเนี่ยมันจะมาเองศัพ์มันจะมาเองแล้วพอพูดบ่อยๆเนี่ยนะมันจะเขาเรียกมัลติพลายไอ้ที่จําแล้วไม่ลืมเออถ้าทําเป็นนิสัยเนี่ยจําแล้วไม่ลืมเหมือนเราขี่จักรยานได้เดี๋ยวยังไงมันก็จะขี่ได้ถ้าเราพูดได้เป็นนิสัยเนี่ยไอ้ที่พูดได้แล้วมันก็อยู่ตรงนี้ศัพ์ใหม่มันก็จะเข้ามาเรื่อยมาเรื่อยเพราะฉะนั้นคนมันถึงสา ม, มารถเรียนภาษาได้เป็นสิบภาษา ที่มาจากเวียดนามอ่ะที่มาประชุมกับเราอ่ะโปรเฟสเซอร์อะไรอ่ะสิบห้าภาษาแต่ผู้ภาษาอังกฤษเราก็ฟังสำเนียงเขาไม่เคยรู้เรื่องนะแต่เขาบอกเขาได้ไปพูดในสิบห้าภาษาที่มาประชุมอยู่เรื่อยอ่ะรู้สิเรื่อมันทัดอ่ะมันไม่ใช่เรียนเยอะแล้วมันสมองมันโปง่งแตกตายนะท่านนะเพราะเขาไม่ได้ท่องเขาฝึกฝึกเหมือนเราฝึกไปบ่อยไอ้ที่ทำมือทำแรงต่างเนี่ยไอ กรณี้นเนี่ยแล้วมันอัตโนมัติถ้าทําเป็นนิสัยนะท่านไม่ต้องจำเมื่อเรื่องภาษาเรื่องสวดมนต์เอาเรื่องสวดมนต์กระดักสวดบ่อยๆบ่อยๆเนี่ยนะพวกพวกคารวาสบาลีเนี่ยนะจําไม่ได้เราใหม่ๆเนี่ยแต่ถ้าท่านสวดบ่อยๆมันคล่องปากพอคล่องปากแล้วเนี่มันต้องจํำไหมล่ะไม่มีมั น, มมมนสวดอัตโนมัติเลยมันไปเลยบางทียังไม่รู้ความหมายเลยเรายังสวดได้เพราะฉะนั้นเวลาเรียนที่นี่เนี่ยบางเรื่องบางอย่าง เขาให้เข้าไปฝึกไปทันเถอดนั่งกรรมาฐานนีหม่ใหม่ๆมันจเจอเกือบตายมันฟุ้งซ่านพอไปใหม่ใหม่นี่พอไปใหม่ใหเป็นอย่างนั้นพอมันเป็นสกิลเป็นทักษะแล้วเนี่ยจิตมาสงบเองนั่งเป็นชั่วโมงก็มีความสุข อ, อไม่เชื่อลองทําดิแล้วมันติดตื่นเช้าขึ้นมาก็ต้องนั่งกรรมาฐานแหละเป็นอย่างนี้ไม่งั้นจะทํางานหลายหลากหลายได้ไงเครียดตายสิท่าน พอเรานั่งกรรมฐานสักครึ่งชั่วโมงตื่นเช้าขึ้นมาหายหมดอ่ะปัญหาทั้งหลายบางคนบอกอธิการบดีทํางานเยอะแยะหมดทําได้ไงกรรมฐานและกรรมฐานนี่มันมันมันสําหรับปล่อยวางใช่ไหมเราถ้าเราไม่ฝึกเนี่ยมันฟุ้งซ่านตายเลยนั่งกรรมฐานไม่ได้เราทำงไนเยอะแต่พอเป็นสกิลขึ้นมาเป็นทักษะขึ้นมาเนี่ย ใช่ไม่ท่านเจ้าวาดสมพานอ่ะเนี่ยเป็นเจ้าวาดตั้งแต่เกิดเลยชื่อสมพานตั้งให้เนี่ยมันเป็นเองฉะนั้นท่านอยู่นะมหาจุฬาเนี่ยอะไรที่เขาให้ทําเป็นกิจกรรมอะไรต่างเนี่ยเหมือนฝึกพูดอนะนะฝึกพูดเนี่ยมันยากกูจําเรื่องอะไรเยอะแยะหมดถามบางคนมาถามมาที่การมาดีว่าทําไมจําอะไรแม่นรู้เรื่องนี้ไม่ได้จําท่านจําไม่ไหวหรอกเหมือนกับคอมพิวเตอร์เนี่ย มันก็เต็มแต่เราพูดบ่อยๆฝึกบ่อยๆเนี่ยมันเป็นนิสยัยมันออกมาโดยอัตโนมัติถึงเวลามันพูดกี่ชั่วโมงก็ได้เพราะมันไม่ต้องคิดมันอยู่ใน d n เออ่ะภาษาอังกฤษผมจะต้องคิดทำไมลระครับถึงเวลาวิสาขาผมก็พูดพูดพูดพูดมันอ้างคิดทำไมอะ่ะมันอยู่ในดี a อที่เขาพูดกัน แต่ไอ้พวกเราได้เจอฝรั่งวิ่งหนีชาติไหนมันจะมีอยู่ในดีเอหรอกผิวหนังมันยังไม่เข้าเลยไม่ใช่ความลับอะไรหรอกมันไม่ได้ใช้สมองพวกนี้ต่อยมวยเนี่ยท่านเราไปคิดก่อนที่มันจะต่อยซ้ายต่อขวาโดนน็อกแล้วต่อยบ่อยฝึกบ่อยไอ้พวกฟันดาบก็เหมือนกันเน่ะเศร้าลิ้นเน่ะฝึกบ่อยๆบ่อยๆเนี่มันอยู่ใน นี่แล้วในสุดสมองมันจะมันมันจะมีส่วนที่เป็นนิสัยนี่มันจะเก็บของมันซึ่งมันคนละอย่างกับเรียนวิชาการเรียนกรรมฐานมันไม่ใช่วิชาการไม่ต้องคิดเลยคิดน้อยที่สุดแล้วนั่นคือกรรมฐานคิดมากสีนั่งกรรมฐานไม่ได้ไอ้พวกเนี้ยคิดมากเนี่ยแต่หยุดคิดเมื่อไรมันจะสว่างโพรงมันจะสาตริ ไม่ทำไม่รู้พูดอย่างนี้ธรรมะประมาณิกานี่คือเรื่องศาสนาเรื่องปรัชญาเรื่องความคิดลึกซึ้งมหาเจุฬาเขาก็สอนคณะพุทธเนี่ยส่วนมากจะไปทางนี้แล้วหาคนเรียนได้น้อยที่สุดเนี่ยในบรรดาคณะทั้งหลายนั่งฟังเนี่ยไอ้พวกที่ธรรมะประมาณิกาถ้าจะน้อยอยู่นะในส่วนกลางนย น, นะเห็นหมเอาเป็นว่า นี่คือว่าในพุทนาเองเขาก็แบ่งและใครเก่งด้านไหนก็ไปด้านนั้นและเราต้องรู้ว่าตัวเราเองเนี่ยทางที่ดีเนี่ยใช้ให้มันมากที่สุดเคยเห็นรูปภาพโมนาลิซ่าไหมล่ะในใครก็ต้องเคยเห็นนี่ยเกิดมาไม่เคยเห็นรอยยิ้มโมนาลิซาน่ะคนวาดคือใครเดียวนาโดดาวินชีไปดูต้นฉบับแล้วที่พิพิธภัณฑ์ลลูฟ ฝรั่งเศสไปรอบแรกไม่เห็นเห็นแต่หัวคนนักท่องเที่ยวเต็มไม่หมดไปดูมโมนาลิซาภาพต้นฉบับไปครั้งหลังก็ไปดูคนน้อยหน่อยเออได้เห็นแป๊บเดียวพวกมาดูต่ออีกแล้วแค่ดูทำไมเอามาเล่าอย่นั้นเหรอท่านเอามาพูดแม่งมันพูดไปถนัดดาวินชีเนี่ยได้รับ การยบยอมรับจากคนทั่วโลกว่าเป็นตัวอย่างของอัจฉริยะมนุษย์ทำอะไรสุดยอดหมดเลยเขาเรียกเขาเรียกว่าเป็นมัลติโพลจเนียสเป็นมหัศจรรย์บุคคลเก่งหลายด้านเก่งอะไรวาดภาพเนี่ยชั้นเลิศเลยเช่นโมนาลิซาเดอะลาซัปเปอร์อะไรก็ว่ากันไปนะไปดูของครินเนี่ยนะ วาดภาพนี่ไม่มีใครยอมไม่ไม่มีใครแพ้ปั้นอีกเหมือนกันปฏติมา ก, กรรมนี่นะปั้นเนี่ยสุดยอดและที่เราไม่ค่อยรู้กันเนี่ยตอนหลังเริ่มรู้เนี่ยคืออะไรเป็นนักประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ไอ้เครื่องบินเนี่ยนะแกออกแบบก่อนเลยที่เขาทำเป็นปีกแล้วก็ปัน่นเอปั่นแบบจักรยานล่อนมาเนี่ยนะกลายเป็นคนคิด เรื่องอนาโตมีเนี่ย ว, วาดภาพเหมือนจริงเนี่ยแกไปศึกษาทางอนาโตมีกายวิภาคเนี่ยสุดยอดเพราะฉะนั้นจะเป็นวาดภาพแบบเรลิสติกเรลิสติกเหมือนคนจริงเพราะไปศึกษาอนาโตมีแกคิดปืนปืนใหญ่ยิงกําแพงฆ่าสึกได้อาวุธเมื่อสี่ร้อยห้ารอปีเนี่ยเขายังไม่คิดเพราะฉะนั้นเขาจึงบอกว่าวิทยาศาสตร์ก็ดีศิลปะก็ดีนี่สุดยอดหมดซิกมันฟรอยซิกบุนฟรอยจึงบอกว่า เาร์โดดาวินชีเนี่ยเป็นคนเหมือนกับคนที่ตื่นขึ้นมาในความมืดขณะที่คนอื่นกาลังหลับหกโ ม, มงเช้าควรจะตื่นแกตื่นตีสามโลกยังมืดอยู่ในปัญญาอยู่แกเกิดก่อนยุคของแกนานมากนี่คือคนอัจฉริยะคนอัจฉริยะคืออย่างไรเวลามันไล่มา ยังไม่ได้กิดคำเลยข้ามไปให้หมดให้ดูให้ดูอันนี้นี่โลเจอร์สเปอรี่เมื่อสักสามสิบปีมาแล้วได้รางวัลโนเบลเพราะศึกษาพบว่าสมองคนมันมีสองซีกซีกซ้ายกับซีกขวา และซีกซ้ายกับซีกขวานี่แหละที่ทำให้คนเก่งไม่เท่ากันคนไหนถนัดใช้สมองซีกซ้ายจะเก่งเรื่องภาษาเก่งเรื่องวิทย์เก่งเรื่องคณิตเพราะฝึกแต่ด้านซ้ายคนไหนใช้สมองซีกขวาจะเก่งพวกวาดภาพจิตกรรมเรื่องศาสนาเรื่องดนตรี เพราะฉะนั้นคนเนี่ยมันจะหายากที่มันจะใช้สมองสองซีกเท่ากันบาลานซ์กันคนที่เก่งวิทย์เก่งคณิตมักไม่เชื่อเรื่องศาสนาคนที่พูดเรื่องศาสนาได้ดีเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจวิทยาศาสตร์พวกเราเนี่ยพอคิดเป็นวิทยาศาสตร์ขึ้นมาก็รับว่าศาสนางมงายพอนั่งกรรมาฐานมากๆเข้าฟังเรื่องวิทยาศาสตร์ไม่รู้เรื่องคนไหนที่คิดวิทยาศาสตร์ ไม่สนใจศาสนาคนที่สนใจศาสนาศิลปะไม่สนใจวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ทาได้สองอย่างเนี่ยเขาเรียกสุดยอดอัจฉริยะมีเอตตรคะหลายด้านอย่างเลโอนาร์โดโโดาวินชีเนี่ยใช้สมองซีกขวาในการวาดภาพโมนาลิซาในการปั้นใช้สมองซีกซ้ายในเรื่องของวิทยาศาสตร์หายากมากคนคนเดียวที่จะเป็นอย่างนี้ เวลาที่เราพูดถึงอัดเฉรียภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงเนี่ยเคยสังเกตไหมในหลวงเนี่ยเป็นมหาราชในประเทศไทยมีเจ็ดพระองค์มหาราชคือสุดยอดของลัฐศาสตร์ลัฐประภาสาศสาสตร์ในการปกครองซึ่งเป็นศาสตร์เป็นโซเชียลไซส์ในหลวงผลิตกังหันาน้ำชัยพัฒนาจดลิขสิทธิ์จดสิทธิบัตรในหลวงทาฝนหลวง แล้วก็เรื่องอื่นอื่นอีกทฤษฎีอะไรเยอะแยะเศรษฐกิจพอเพียงอ่ะแต่ในขณะเดียวกันเขายกย่องในหลวงเป็นอัครศิลปินเรื่องดนตรีศาสนาก็ไม่ได้เรียกว่าสุดยอดพระราชินิพนธ์เรื่องมหาชนกทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษทรงปฏิบัติกรรมฐานคนคนเดียวเนี่ยทำสองอย่างได้ยังไง นี่คือสุดยอดอัจฉริยะในหลวงจึงพูดว่าวิทยาศาสตร์ทำให้ลคนคนฮาร์ดใช่ไหมสตรองแข็งแต่ไวเรื่องเรื่องศาสนาในหลวงซอบ ป, ปฏิบัติกรรมานฉะนั้นเราใช้ประโยชน์จากธรรมชาติของเราให้มันคุ้มภาษามันซีกซ้าย กรรมฐานซี่ขวาปฏิบัติไปเถอะมันได้และทำไมเราจะเอากรรมฐานมาทำให้เรียนภาษาเก่งขึ้นไม่ได้สมาธิไงสมาธิทำให้เกิดปัญญาถ้าท่านนั่งกรรมาฐานนะซึ่งบางทีพวกเราเนี่ยโหปวดแล้วนเอกคละวา่ะเอาเวลาที่ไหนมาอะไรมาพระก็เหมือนกันรับแต่ถ้าท่านฝึกสมาธิกลายเป็นว่าสมาธิของท่านเนี่ย ทำให้จิตอ่อนควรแก่การงานเรียนเก่งขึ้นอีกความจําดีขึ้นอีกสองอย่างเนี่ยเอามาเชื่อมกันให้ได้ในมหาจุฬาบางคนถามว่าทาไมาคนอินเดียเนี่ยมันจึงเก่งเรื่องคอมพิวเตอร์นะที่บังกลอออคคนนิิเเเดียก่งืณตศาสตร์แล้วเรื่องคอมพิวเตอร์ปัจจุบันเนี่ยนะไปที่บังกลาเนี่ยเหมือนกับซนะิลิคอนเวลเล์น่ะซึ่ง บิลเกตต้องบินไปที่นู่นเขาก็ตอบเลยเพราะคนอินเดียเนะ่นอกจากเก่งคณิตศาสตร์แล้วนะรู้ไหมไอเลขศูนย์เนี่ยใครเป็นคนค้นพบในโลกนี้ถ้าท่านดูเลขโรมันมันจะ ม, มีมีเลขศูนหรอกมันมีหนึ่งสองสามขีดนะนะเลขสิบเป็นตัวเอ็กคนที่ค้นพบเลขศูนย์คืออินเดียเก่งคณิตศาสตร์แล้วคอมพิวเตอร์มันมีแค่สองหลักแค่นั้นนะเลขหนึ่งกับเลขศูน เขามีพื้นเก่งอยู่แล้วอินเดียเนี่ยทรงยานอาวกาศอ่ะและอินเดียนี่แหละที่ผลิตพระอาหารหันต์ให้กับชาวโลกสมาธิาศาสนาแล้วเขาเอาสมาธิกับคอมพิวเตอร์เนี่ยผสมกันมันจะไม่เก่งได้อย่างไรเล่าแล้วมหาจุฬาทำไมไม่ไปไหนมาไหนเล่าคอมพิวเตอร์ก็เปิดไปได้สักทีหนึ่งอ่ะไอ้โปรแกรมเมอร์ก็โอ้ยโดนไวรัสกินอยู่นั่นแหละ เพราะเราไม่เอาสมาธิกรรมฐานเนี่ยรวมกับคอมพิวเตอร์ศาสตร์กับคอมพิวเตอร์กับศาบสนากรรมฐานมันจะไม่มีใครสู้เลยคิดดูนะฉะนั้นเวลาที่เราพูดถึงเรื่องของการพัฒนาเนี่ยการศึกษา ค, คือการพัฒนาเนี่ย ในความเห็นส่วนตัวนี่ยอยากไปพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งการศึกษาคืออะไรในโอ้การศึกษาคือการพัฒนาผัสสะนะสรุปในเรื่องความหมายของการศึกษาการศึกษาคือการพัฒนาผัสสะ นะท่านทําไม่ครบไม่มีเวลาที่จะพูดแล้วแต่สรุปก็แล้วกันว่าถ้าท่านเน้นจากขู่สัมผัส พ, พัฒนาดวงตาของท่านท่านเป็นรูปปรัมมาณิกาถ้านเน้นโสตสัมผัส พ, พัฒนาหูเป็นโคสับ ป, ปรัมาณิกาคานะสัมผัสนี่เป็นพวกนักชิมหรือมั้งไอ้กลิ่นนะโอไม่ใช่พวกน้ําหอมอะไรเราไม่มีวิชาชิวหาสัมผัสนี่ก็คือภาษาปาก พูดไม่ใช่กินฝึกภาษากายสัมผัสนี่คือทักษะต่างๆแล้วท ร, รมประมาณนี้กามโนสัมผัสลองดูว่าท่านท่านพัฒนาภาษะสัมผัสต ร, ตรงไหนได้ได้มีความไวมีความเชี่ยวชาญท่านทำตรงนั้นและถ้ามันทื่อมันช้าพัฒนามันมันจะดีขึ้นเรื่อย ยกตัวอย่างนะไอ้กายสัมผัสเนี่ยบางคนนี่เรียนหนังสือเล่นะอาจารย์ต้องช่วยนะทีนี้พูดกับอาจารย์แหละเพราะเราไม่รู้ว่าลูกศิษย์คนไหนเป็นเป็นเป็ น, ป น, ปนจักรคู่สัมผัสเขาดีถ้าเกิดเขาจะจักรู่สัมผัสเขาดีท่านเอาขึ้นจอดิเวลาท่านพูดเลยนะขึ้นจอทุกครั้งช่วยลูกศิษย์ประเภทจักรคู่สัมผัสเขาจะจำแม่น ฟังแล้วจดอย่างีฟังอย่างเดียวเนี่ยเขาลืมเพราะฉะนั้นถือเป็นกฎในเนี่ยวิญญาณครูบาอาจารย์ในวันนี้จะมาเนี่ยจะพูดเรื่องนี้เนี่ยโอ้หถ้าเกิดพูดแล้วโดยไม่มีจอเนี่ยไม่มีใครจําได้หรอกจะบอกให้ไอ้พวกไอ้พวกจักขู่สัมผัสมันมันฟังเสียงแล้วมันจําไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นขึ้นจอครับพอขึ้นจอปุ๊บเนี่ยพวกพวกชํานาญในร่านการใช้ตาเขาจะจําแม่นแล้วพูด ฝึกพูดจะไม่เราพูดเสียงดังเนี่ยโคสั์ประมาณิกาหรือโสตะสัมผัสเขาจะจำแมน่นและถ้าเขาได้พูดด้วยชิวหาสัมผัสก็คือให้เขาออกมาแสดงออกหน้าชั้นเนี่ยเขาจะกระจำแมน่นการแสดงออกมันถึงสำคัญไงเพื่อให้เขาจำแล้วกายสัมผัสคืออะไรกายสัมผัสเนี่ยเคยสังเกตไหม ถ้าเราเรียนวิชาอะไรก็ตามเนี่ยนั่งฟังเฉยๆอย่างท่านนั่งฟังเนี่ยพวกที่เป็นไกาสัมผัสเนี่ยเดี๋ยวก็ลืมแต่ลองได้จดสุสิจดนี่ไม่ได้อ่านนะบางที่หาไม่เจอด้วยอยู่อล้อยู่ที่ไหนแต่ลองได้จดแล้วมันจําแม่นมันเหมือนกับจากมือเราเนี่ยขึ้นไปถึงนี่เลยตอนที่ไปเรียนที่อินเดียใหม่ๆเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยรู้เรื่องไม่รู้เรื่องจดลูกเดียวเห็น ไ, ไหมเราก็ค่อยได้ทีละเปเซนสองปเปอร์เ็นไล่ไปรเรื่อยนั่นคือเราใช้ หมันไม่ฟังไม่รู้เรื่องเราใช้มือเราใช้ตาพราะมือตาว่ามันไปที่สมองเราฉะนั้นเรียนบาลีเขาจึงสอนให้ทําแบบฝึกหัดใช่ไหมเขาเรียกว่าตอบคําถามอ่ะแล้วพวกเรานี่เวลาให้เขียนรายงานนั้นไม่ค่อยเขียนด้วยอะไรมือนะั้นไปทําคอมพิวเตอร์ก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าลงเขียนสิอย่าไปก๊อปปี้ไปลอกเขาสิเขียนเลยจดเองด้วยมือเนี่ยมันไม่ใช่เพื่ออะไรหรอกเพื่อให้มันเกิด พวกที่ชำนาญเรื่องกายสัมผัสเนี่ยมันจะเรียนเก่งส่วนมโนสัมผัสสร้งางจินตนาการวิธีคิดเนี่ยเราพูดกันเยอะแหละตักกะอะไรก็ตามวิธีจําวิธีอะไรตา่างมีเทคนิคสรุปแล้วรู้เขารู้เหล่าเราอยากจะเรียนเก่งเนี่ยโดยเฉพาะมโนสัมผัสคือฝึกสมาธิเมื่อกี้พูดแล้วฝึกสมาธิฝึกให้มันโฟกัสให้มันมันจะเหมือนกับถ่ายภาพอ่ะปรับหน้ากล้องแล้วมันจะชัดมาก ในมหาจุลาเราก็เป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นเราจึงจึงไปที่ไหนเนี่ยนะเมื่อเมืม่อวานไปพูดที่วัดสัมพยาก็จะเริ่มด้วยบอกว่าต้องขออนุญาตใช้ใช้ขึ้น powerpoint เพราะว่าภาพหนึ่งภาพมีค่าเท่ากับคำพูดหนึ่งพันคำ picture is worth one, one thousand words ภาษาภาษาอังกฤษว่าอย่างนี้ภาพหนึ่งภาพมีค่าเท่ากับคำพูดหนึ่งพั พูดหนึ่งพันคำมันยังสู้ภาพหนึ่งภาพไม่ได้ท่านจำแม่นเพราะฉะนั้นตัวเราเนี่ยนะจำไม่ได้ลองอยากจะรู้เรื่องอะไรอ่ะใครใครรู้เรื่องทฤษฎีควอนตัมไหมใครรู้เรื่องไอไอไอะตอมแบ่งเป็นนิวตรอนอิเล็กตรอนโปรตอนไหมจำไม่ได้หรอกแต่ลองไปเปิดซีดีไอที่เขาทำภาพไอโปรตอนมันวิ่งวนไอนิวตรอนดูสิ เห็นครั้งเดียวก็จําได้แล้วไอ้นี่นิวตรอนนอ่นี่โปรโตรอนอนี่นี่เพราะมันมีภาพเพราะฉะนั้นเด็กฝรั่งเนี่ยมันมีสื่อการสอนเยอะมันจึงเรียนเก่งโดยเฉพาะวิทยาศาสตมันมีภาพหมดไอสไตล์มากว่าอย่างนี้อย่างนี้มันมีภาพให้ดูมีการ์ตูนให้ดูด้วยของเราเหรอจินตนาการเอาเองไปคนละเรื่องเลยอย่างนี้นิวตรอนเอิเล็กตรอนโปรโตรอนอ น, ตนอนัตตาโนนไป ย, ย้ยายเลยความว่างเลยไม่มีอะไรสักอย่างเพราะฉะนั้นจึงขอร้องครูบาอาจารย์นะว่า ทำสื่อให้มันครบทุกภาษะขอร้องครูบาอาจารย์ว่าอย่าดูดายช่วยกันวันนี้พอจะมาพูดตอนแรกตอนแรกกะว่าจะมาพูดเรื่องธรรมดาเอา้ามันมพูดอยู่เรื่อยๆไม่เอา้าวันนี้อยากจะพูดอะไรสักอย่างก็เลยเดือดร้อนต้องทำ powerpoint ไม่งั้นมนุษย์ที่ไหนจะจำได้เห็นไหมเพราะนึกถึงภาพหนึ่งภาพมีค่าเท่ากับคำพูดหนึ่งนครับอะไรอีก จำไว้ดีกว่าจดถ้าจำไม่หมดจดไว้ดีกว่าจำท่านจดเธอด้วยด้วยมือนี่นะเพราะอะไรมันเป็นผัสสะแล้วมันจะเข้ามาถึงสมองท่านอย่านั่งฟังอย่าเลี้ยฟึงให้เป็นนิสัยเขียนไปเรื่อยๆแล้วภาษาอังกฤษนี่นะสังเกตไหมเราพูดไม่ได้เราเขียนได้เพราะอะไรเพราะอาจารย์ให้เราจดถ้าอาจารย์ให้เราพูดเหมือนกับที่เราจดสิปานี้เราพูดได้แล้วเรียนมาตั้งแต่ป .5 ป .6 อะ ภาษาบาลีพระทําไมเป็นมหาปริญญาแล้วเวลาพูดเดินมันแค่เหมือนกระจะจนมนำมาพูดภาษาบาลีแข่งกับพระพระมา่าพระอะไรเนะี่ยแต่เราให้มาเขียนแข่งเนี่ยโอวยากรณไม่ผิดสักตัวไปจับผิดพวกพระไมะ่ผิดลิงผิดตู้นผิดนี่เพราะเราชนัดคนละอย่างเราไปฝึกกายสัมผัสในการเรียนมหาจุฬาเนี่ยเป็นการเรียนที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง คือเราต้องช่วยตัวเราเองนะในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยอาจารย์สอนวิธีเรียนให้สื่อให้อะไรแล้วพวกเราต้องไปเรียนนอกชั้นมันจะมีรหัสสองวงเล็บสองศูนย์สี่สองแรกก็คือสองหน่วยกิตสองอีกข้างในวงเล็บก็คือเรียนเลคเชอร์เนี่ยสองชั่วโมงสี่ตัวฐานคือไปอ่านด้วยตัวเองเราต้องไปอ่านไปศึกษาเพิ่มเติมอาจารย์มีหนะ้าที่สอนวิธีเรียนมิฉะนั้นมันจะเหมือนอย่างนี้ ถ้าท่านให้ปลาแก่คนจนเขาจะมีปลากินเพียงวันเดียวแต่ถ้าท่านสอนวิธีจับปลาให้เขาเขาจะมีปลากินตลอดชีวิตถ้าท่านยัดความรู้อัดเข้าไปในหัวสมองนิสิตนิสิตจดและท่องจําเนี่ยสอบแล้วก็ลืมหมดแต่ถ้าท่านสอนวิธีจับปลาคือหาความรู้ปลาคือข้อมูลคือความรู้หาวิธีเซิร์ชหน่อยสิหาวิธีบอกวิธีไปอ่านหนังสือในห้องสมุดหน่อยเล่มไหนยังไงเนี่ย ให้เขาไปอ่านเองและเขาจะมีความรู้ตลอดชีวิตคือการศึกษาตลอดชีวิตมันจะเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าตุมเหหิกิจจังอาตปังอาขาตาโลตถาคตาน่ะท่านทั้งหลายต้องทําเพียงความเพียรพยายามเองพระตถ า, าคตเจ้าเป็นแต่เพียงผู้ชี้ทางอาจารย์ต้องเป็นอาขาตาโรฉะนั้นเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม อย่าทิ้งกรรมฐาน m e นทัล d ด v วล OP เมนพัฒนาจิตใจพัฒนาสังคมอย่าทิ้งกิจกรรมวิสาขาบูชาโลกนี่เศร้าใจอย่างหนึ่งนะพวกเราไม่มาเลยมีแต่คนนอกมานิสิตก็ไม่มาอาจารย์ก็ไม่ม า, า, า, มมาถ้าไม่บอกท่านสูญเสียโอกาสในการฝึกภาษาอังกฤษไปเท่าไหร่เนื่องในห้องประชุมเนี่ยโล่งข้างหลังเนี่ยเต็มไป ม, มีแต่เก้าอี้ไม่มีใครมาเลยนิสิต เสียใจในฐานะที่เขามาสอนภาษาอังกฤษให้ถึงมหาวิทยาลายัยทั่วโลกใจเงินหลายสิบล้านแต่พวกเราไม่มาเรียนและก็บอกว่าภาษาอังกฤษซ้ำได้สำหนึ่งเสียใจในส่วนตัวในฐ า, ฐานะอาจารย์แต่ในฐานะผู้บริหารก็แล้วแต่ทีใครไม่มาก็อย่ามาแต่ท่านเสียโอกาสเองจะบอกให้สุดยอดนักทูดทั้งนั้นในโลก แล้วปล่อยให้โอกาสมันผ่านไปได้ยังไงครูบาอาจารย์ไม่บอกนิสิตด้วยแล้วก็พอบอกก็บอกว่านิสิตเขาไม่มาอา้าวเขไม่ว่ากันเราไม่ได้บอกวิธีเรียนอย่างนี้โอกาสมาถึงมีกิจกรรมมากมายมีสิ่งดีมากมายมหาจุฬาเนี่ยมันระดับโลกมันมีโอกาสมีเยอะแต่เราไม่รู้ไปทําอะไรกันอยู่ไม่ใช้โอกาสนักปราึกษทั่วโลกบินมาไม่เชิญเขามาสอนหรือไงเขาเขาบินมาฟรีๆนะ่ะแต่แทนที่จะให้มาพบนิสิตสอเป็นภาษาอังกฤษไม่มี น่าเสียดายฉะนั้นใน u ูเอนเน่ยยังชื่นชมนิสิต ท, ที่อาสาไปเนี่ยเขาด้วยความรู้ด้ประสบการณ์ด้แรงบันดาลใจแต่ส่วนมากจะเป็นพวกอินเตอร์เพอร์นลคือชอบความสัมพันธ์มนุษยสัมพันธ์แต่พวกที่เรียนภาษาไม่ไปท่านท่านใช้ที่ทำด้านนี้อย่าเอาตัวรอดคนเดียวให้นิสิตเราด้วยสิอย่างน้อยสั่งเลยถ้าวิสาขาท่านต้องไป ไปเรียนภาษาก็ยังดีด้านศาสนาไปสร้างมิตรสัมพันธ์ก็ยังดีอะไรก็ยังดีมาหาจุฬาให้โอกาสทุกอย่างนิสิตคารวะอาอาสาเลยหาโอกาสยากมากเป็นวอรเนเทียต้อนรับชาวต่างประเทศเที่นี่เขาเปิดโอกาสเนี่ยอย่างไปยูเนสโก้เนี่ยไปเลคเชอร์ที่ยูเนสโกเนี่ยคนนี้คือใครคนนี้คือมาดาโมโกะ ผู้อำนวยการใหญ่อยูอย่เนสโกที่ฝรั่งเศสอธิการบดีไปพูดที่ไหนยังไงมันไม่เหมือนกันแต่ละอย่างเนี่ยนิสิตควรจะต้องฟังไม่ได้เพื่อตัวเองนะเพราะว่าในสมัยเป็นนิสิตเป็นอะไรต่างๆใครมีอะไรที่ไหนนี่ต้องดูต้องพัฒนาตัวเองเขาไม่เชิญก็ไปและถ้าเขามีเซมิแน่ที่ไหนเนี่ยต้องไปและตั้งคําถามคํ า, าเดียวก็พอก็ยังได้แต่นั่งฟังกว่าจะขึ้นระดับโลกอ่ะ เราต้องไต่บันไดขนาดไหนเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ก็ช่วยกันพัฒนานิสิตของเราเถออย่าให้โอกาสมีท่านอาจารย์มาจากจีนเนี่ยเดี๋ยวจะต้องไปต้อนรับท่านเอาเป็นว่าสรุปจบเลยด้วยสรุปจบด้วยที่พระพุทธเจ้าตรัสนั่นแหละเอาเป็นว่า ตุมเหหิกิจจังอาตปังอาขาตาโรตถาคตาท่านทั้งหลายคือนิสิตทั้งหลายเนี่ยเรียนวิได้รู้วิธีเรียนเสศึกษาแล้วเนี่ยแต่ต้องลงมือค้นคว้าเองหาเองทําพัฒนาภาษาเองครูบาอาจารย์เป็นแต่เพียงไกด์เป็นผู้ชี้ทางการเดินทางเป็นเรื่องของเราและนั่นแหละจะทําให้เราเรียนเก่งไม่ว่าแล้วก็พยายามดูว่าเรานี่ถนัดด้านไหน พัฒนาในด้านนั้นไปก่อนแต่เรื่องที่ด้อยเราก็ต้องไปซ่อมมันแก้ไขมันและเราจะรู้ว่าเราดีขึ้นเรื่อยๆก็ขอถือโอกาสนี้อให้ข้อแนะนําถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะเพื่อความสําเร็จครึ่งหนึ่งและข้อนหนึ่งต่อไปของพวกเราทั้งหมดขอโนมโมทนาในฝ่ายผู้บริหารที่จัดกิจกรรมอันดีงามนี้ และขออนโมทนานิสิต ท, ที่มาร่วมกิจกรรมนี้ด้วยในโอกาสนี้ขอคุณภรีอํานาอ้างคุณพระศรีรัตนตรยัยและกุวสนความดีที่เราบำเพ็ญเพื่อพระาศาสนาจงมารวมกันเป็นตบะเป็นดีชะเป็นภลวะปัจจัยอำนวยอวยพรให้ทุกท่านทุกรูปทุกคนทั้งผู้ให้วิทยาฐานทั้งผู้รับ วิทยาทานธรรมทานจงประสบความสำเร็จในการสอนในการศึกษาเล่าเรียนเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปในร่มทํามเพียงองค์สำเร็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าประสงค์จำานงหมายสิ่งใดก็ให้พลันสำเร็จสมโนรถมุ่งมา่ปราถนาทุกประการตลอดกาลละนานเืนญ